อนุโมทนาตุตุคั่นนะ ม, มนีความเทียนบางครั้งก็คนอาจจะง่วงบ้างนะหลับไปบ้างก็ตื่นว่าใหม่มฟุ้งบ้างอนะ่ะคุยบ้างก็จุดนะเตือนตัวเองนะดีนะอย่าให้พักไปเตือนพอพักไม่ได้อยู่กับโยมตลอดนะแต่มีพระในใจของเราเนี่ย ไปเตือนเราว่าเอ อ, เ อ, อมากไปแล้วนะก็อยู่ในตัวเองไนงะออง่วงหลับนานแล้วอนะก็ตื่นในตัวของเราเองมีพระในใจคอยเตือนตัวเองเนะี่ยดีที่สุดนะมีดีที่สุดเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนที่ไหนนะอ่าก็ตัวเราเองนะนะั่นแหละอยู่ด้วยกันนะถ้าเรามีสติ บอเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางนทั้งที่สุดอฟังแรกๆแล้วนะดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อนะแต่จริงมันก็ที่จริงนะไม่รู้นะก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่มาตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่อแต่ก็ทําไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกอืมัมน ม, มันใช่เลยบางทีเราปฏิบัติบางทีหลายคนก็จะไม่มั่นใจว่า ทำแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยหรอต้องต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมต้องพิจารณานอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องอะไรหลายๆอย่างมากไหมถ้าเราเน้นเน้นแนวปุึสติเนี่ยเอาแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวเพียงพอเอเพียงพอในการจะไปเข้าใจอะไรต่างๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาพมันเหมือนกุญแจในการเข้าไปเปิด เปิดทีละห้องเปิดทีละห้องเปิดทีห้องเหมือนเป็นกุญแจผียอมเปิดได้ทุกห้องอกุญแจผีเข้าไปได้หมดนะออืมันก็ค่อยๆเข้าไ ป, ไปนะให้เราเห็นเพราสุดตัวมันจะทําให้เราเข้าเข้าไปได้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่เพี่งแต่ว่าทําให้มันมากทําให้มันมากมันมันทําไม่ยากนะมารู้สึกมันไม่ยาก แต่จะทําให้มันมากนะหาคนทำมันได้ยากอื ม, หมเหมือนที่ใช้เหมือนเหมือนเราเล่นกีฬานะมาชอบเจ้าะตัวกีฬาแต่ก่อนก็เป็นนักกีฬาหรือบางคนก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราถนัดแล้วกันนะคือเหมือนเราเล่นกีฬาการเล่นเป็นอนะ่ะพอเล่นเป็นอนะ่ะมันก็มันก็ระดับหนึ่งนะบางวันก็เล่นบางวันก็ไม่เล่นนะก็ระดับนึ้น จะเล่นเก่งจะแบบทีมชาติจะได้แชมป์เนี่ยมันต้องทุกวันนะใช่ไหมวันนี้ขยันก็ฝึกวันนี้ขี้เกียจก็ต้องฝึกเนี่ยมันเป็นกิจวัตรที่ต้องทําทุกวันมันถึงจะเก่งอ่ะบางทีตอนเด็กๆนะเขาก็เก่งเท่าเราแหละแต่พอก็ฝึกทุกวันฝึกทุกวันฝึกทุกวันนะฝึกแบบถูกวิธีเลยนืมันก็เก่งได้นะบางทีนักกีฬาหรือซ้อมเป็นฟีไปวิ่งแข่งแค่สิวินาทีเนี่ยเอาแค่นั่นแหละนะ ซ้อมกันปีแต่แข่งจริงๆนะไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนะี่ยตัดเสินละเราจะทําไงเรามีความตั้งใจเหมือนนะักกีฬาที่มันมุ่งมั่นที่จะชนะเกิดที่จะแบบได้รางวัลเนะี่ยภาวนาก็เหมือนกันนะ <c oughs> เราจะคุ้มเทตัวเองอยังไงให้มันเอาเป็นงานหลักของเรานะขายันขี้เกียจยังไงก็ก็รู้สึกตัวให้มันได้เนะีย่ยคือ มันยากคือคนคนจริงตรงเนี้ยทำแบบทำแบบเออทำเป็นบางวันทำเป็นบางขณะดทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็มียะนะเราก็เห็นเนี้ยแต่มันก็เกิดผลน้อยก็เกิดผลบ้างอะไรนะนะเกิดผลบ้างแต่มันไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วมันก็มันก็เหมือนลมลุกคุกคาเนาะเหมือนตั้งใหม่เลยมันก็คอต่อาใหม่ ควบคุมอย่างอื่นด้วยควบคุมเรื่องอาหารควบคุมเรื่องการนอนนี่มันพัก่อนให้พอมันทุกอย่างอเลยน้กกีฬาอาชีพเขาต้องาทุกอย่างกีฬาเขาเนี่ยต้องต้องสอดคล้อมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่ออะไรต่างๆเพื่อให้จิตใจพร้อมนักภาวนาต้อเหมือนกันโยนักภาวนานมันก็ต้องควบคุมทุกอย่างเหมือนกันอเพราะบางครั้งพอเราเผลอไปมันโอ้มันหายเวสไเลยมันหายไปเยอะเลย แต่เป็นทุ่มเทแบบมีความสุขทุ่มเทแบบทำด้วยความชอบทุ่มเทด้วยด้วยความพอใจในการทุ่มเทด้วยความพอใจในการทำาหมืนน่แต่แม้พอใจในการทำแต่มันบางทีมันมก็อาจจะมีบ้างแหะที่เกียดมีเหนื่อยมีนั่นนี่บ้างก็ธรรมดาจะให้มันดีตลอดก็ไม่ไมใช่แต่ให้ทุ่มเทแบบแบ บ, แ บ, บพอใจแล้วก็ทุ่มเทแบบทำแบบ ทำไปเรื่อยๆทุ่มเทแบบทำไปเรื่อยๆมันก็มาเหมือนสมัยนี้บางคนชอบปั่นจักรยานใช่ไหมปั่นจักรยานมันเหนื่อยก็นั่งรถอ่ะใช่ไหมมันร้อนกว่าแต่พอเขาชอบใช่ไหมมันก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นใหเรื่อยๆวันหนึ่งก็ได้ประมาณสักร้อยกิโลสองรอยกิโลนะมันก็ไปเรื่อยๆต่อไี้เนาะอันนี้คือมันก็ไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละพอพอเราชอบจะทําอะไรอ่ะ จะร้อนขนาดไหนจะเหนื่อยขนาดไหนมันก็มันก็นกนกทนได้นะมันก็อยู่ได้นะให้มันเป็นความพอใจระบางทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นกับใจที่มันคล้ายๆมีความผ่อนคลายอย่างนั้นทําอย่างผ่อนคลายทําอย่างมีความสุขทําด้วยความสนุกในการเรียนรู้ในการฝึกฝนในการพัฒนาอะไรันนะอืมมันมันมันก็จะเป็น มันจะเป็นฉันทาเป็นวิริยะจนะิตตะมิมังตาในตัวอิทธิบาฏนะิคือคุณธรรมในการทำให้ทำอะไรก็สำเร็จนะภาวนาก็เหมดกันทนทัความพอใจนะคือพอใจในการทำวิริยะความเพียรความขยันมันเพียรจนะิตตะก็คือบางทีก็มีตองบ้างเอ๊ะตองคืออะไรเช่นทำแล้วมันตึงทำแล้วมันแน่น เราก็จะรู้ตัวเองนะมันตึงมันแน่นเราต้องผ่อนเองนะอ่าไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นเตือนคนอื่นบอกแต่ต้องรู้นี่มันตึงไปมันแน่นไปนี่คือจิตตาไม่จะเห็นเอ้ยมันมันตึงไปหรือบางช่วงนี้มันเบาไปมันเพลินไปอ่ามันฟุ้งมากไปนี่คือจิตตาที่จะเป็นตัวตัวตองตัวเตือนนะอืเนี่ยคือก็ทําไปเรื่อยนะอืม พิม er <laughs> ังษาไปว่าอะไรนะใครรู้ก็ทำไปแบบเรื่อยๆนะทำไปด้วยความมุ่งมั่นไม่ต้องไม่ต้องบิจจำก็ได้นะแต่ให้เรารู้สึกเนี่ยค่อยๆปรับตัวเองปรับตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทุ่มเทสักหน่อยนะมาถึงจะเกิดจะเกิดผลนะนี่คือ ก็คือการภาวนานซึ่งเราก็ต้องทาไปเยอะๆอย่างเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์โควิดใช่ปะ่ะอาจารย์โควิดอาจารย์โควิดพูดดีเหมือนกันนะตอนไหนที่อะไรเมื่อถ้าเรารู้ว่าเราสงสัยใช่ไหมความสงสัยมันก็หมดไปมันก็ไม่ต้องอะไรแล้วแค่รู้ว่าสงสัยความสงสัยมันก็หมดไป เขาไม่มีอะไรละเหมือนมีคนถามอาจารย์โควิดอ่ะอาจารยโควิดเ ข, เขาไปสัมภาษณ์ประมาณนะี้เขาก็ถามาก็ด้วยนักคิดนักนักเขียนเขาสงสัยเฮ้ถ้าแบบจิตใจไม่ได้มีความอยากได้อะไรไม่มีความคาดหวังอะไรนะเก็จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคือใช่ไหมเหมือนอาจารย์โควิดตอบเหมือนคล้าย ชีวิตตอนเนี้ยเหมือนก็ไม่ได้อยู่ด้วยความคาดหวังอยากจะได้อะไรแล้วประมาณนะ่ะเ้ยถ้าคนมีมีความรู้สึกแบบเนี้ยจะมีชีวิตอยูไปเพื่ออะไรอาจารย์กวีก็ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับแต่บางทีคําถามก็ไม่ต้องการคําตอบก็ได้นะสหายนะ <c oughs> คือเป็นคําถามที่ดีก็ เ, เปิดะสานามที่ตอบยากแต่บางทีคําถามบางทีก็ไม่ต้องการคําตอบก็ได้ เพราะที่จริงแบบความสงสัยมันก็คือมันอาจจะต้องการคําอธิบายใช่ไหมคำอธิบายนั่นนี่แต่คําอธิบายก็คือการการที่เราพยายามที่จะไปไปอะไรมันเป็นเหมือนจิตที่มันดิ้นรนจิตที่มันดิ้นรนอยากจะรู้จิตที่มันดิ้นรนอยากจะเข้าใจอย่างนี้นแต่จริงพอเราแค่รู้ว่ามันสงสัยปุ๊บความสงสัยมันหมดไปมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องดิ้นรนละ ไม่ต้องดิ้นรนจะรู้อะไรก็ได้นะเพียงแต่ให้เรารู้สึกตัวต่อคอรู้สึกตัวที่กายรู้สึกตัวที่ใจนะอย่างรู้ใจนะมีเคสนิดหนึ่งนะบางคนไปดูผิดนิดหนึ่งล้วก็ดูแต่เองนะอย่างคําว่ารู้ใจหรือรู้ความคิดเนี่ยไปรู้ว่ามันคิดอะไรเนี่ย มันมันยังไม่ใช่นะแต่บางทีมันก็รู้แบบนั้นก่อนแล้วก็ไปมันค่อยค่อยย้อนแต่การรู้ใจจริงๆมันคล้ายๆเหมือนเหมือนปืนนะปืนที่มันยิงออกไปความคิดมันเหมือนลูกกระสุนปืนที่มันออกไปมันออกไปอะตัวปืนเนี่ยคือตัวใจคือมันมันออกไปหมดนะปุ๊บพุ่งออกไปมันสติจริงๆมันจะย้อนกลับมาเห็นในตัวปืนที่มันเกิดมาพุ่งออกไปตนนี้ แต่ถ้ามันพุ่งไปแล้วส่วนใหญ่เราจะไปรู้ตอนที่มันปืนตัวลูกกระลูกก็ะสนนะ่ะที่เราบอกนี่มันคิดนั่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่นคืคอเราไปเห็นแต่ลูกระสุนปืนมันยิงออกไปหลายนัดอ่ะมันใกล้บ้างไกลบ้า ง, างแต่ตัวดูจิตจริงๆเนี่ยคือเห็นไอ้ปืนที่มันยิงออกไปมันพุ่งออกไปมันจะย้อนกลับมาต้องเห็นด้วนะั่นะนะอันนั้นไอ้ตัวความคิดแจะคิดอะไรจะรู้สึกอย่างไร ไม่สำคัญเหมือนลูกตืนไฟแล้วแช่งของมันแต่เราแค่รู้ทันมันพอปก๊บจไม่จะย้อนกลับมาเห็นในตัวตัวที่มันออกไปเลยนจากตัวตืนเนี่แหละต้นตอมันจริงคือตัวจิตนะที่มันออกไปคิดบ้างมันมันไหละจิตมันไหลออกไปนี่สําคัญกว่าเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเห็นนะนะต้นตอมอยู่ตรงนี้นะไอ้ความคิดน่ะไม่สําคัญอันนี้คือ มันจะย้อนกลับมาสติไม่ไหมครับให้เราเห็นอาการคนนะี้ก็สังเกตดูนะแต่บางทีแต่ไม่ใช่การพยายามจะจะรู้แบบมากมานะไม่ใช่พยายามที่จะเอารู้ให้ได้เก็นให้มันได้แต่เราทำแบบนเนี้ฝึกสติไป เ, เรื่อยเดยวรู้สึกตัวไปเรื่อยนะเดี๋ยวบางครั้งจะเห็นโอ้ยมันจะออกมันจะออกเนะนี่ยเนี่ยเห็นนะมันจะออกนคือ เห็นนี่ตอนนีนะ้สำคัญมากนะแต่บางครั้งมันออกไปแล้วปุ๊บเอาช่างมันช่างมันก็รู้สึกตัวไปนะปล่อยมันไม่เป็นไรนะมันไ ม, ไม่ทันก็ไม่เป็นไรพอทําไปเรื่อยตอนนี้มันจะออกเราเห็นอมันไม่ใช่ว่าจะเป็นบรญยัติตยางมันเจวต้องดีทุกครั้งอะไรมันนะเนะเร็วทุกครั้งเลยไม่ใช่นะบางทีเราต้องกล้าอะไรนะกล้าปล่อยนะคําว่ากล้าปล่อยที่ผมว่า ผิดบ้างก็ได้ถูกบ้างก็ได้บางคนอยากจะถูกอย่างเดียวอยากจะดีอย่างเดียวมันนี่ถ้ามันเจ็บเครียดเครียดไม่ไม่น่าด๋งเลยไม่น่าผิดเลยรู้ถูกหรือเปล่ารู้ตรงหรือเปล่านะต้องแบบกล้าป่อยผิดบ้างก็ได้ถูกบ้างก็ได้นะเพราะผิดก็เป็นครูเรารู้อ้าวผิดทำแบบนี้มันผิดทำแบบนี้มันถูกคือประสบการณ์เนะี้ย จิตม e? ah, ันจะจำจิตมันจะเรียนรู้มันจะเข้าใจนะให้เราก็สังเกตดูนะสังเกตดูอืมนมนุษยบราณหนุ่มพูดทัไมนี่มนุษนี่มน์พอแล้วผมพูดพอแล้วข้วแปลว่าบราวอ๋อก็ ธรรม ด, ดาเนาะไม่ได้นอนเตืหนึ่ ง, งก็ง่วงได้ฮะหรือใอย่าสองคือ